พระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกเรื่องเวสันดรชาดกนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามหาชาติเป็นที่นิยมในหมู่คนไทย มาตั้งแต่เก่าก่อนได้มีนักกวีแต่งเป็นร่ายยาวสำหรับเทศมีสำนวนดีๆมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงเก่าสีอายุทยาในสมัยกรุงเทพนี้ก็มีจนถึงเป็นธรรมเนียมในราชสำนักเจ้านายผู้ใหญ่ทรงพนวดยางบวชสามเดือนและต้องไปถวายเทศมหาชาติกันหนึ่งราชการที่ห้าเมื่อทรงผนวดเนร ก็ทรงถวายเทพมหาชาติกัมหนึ่งราชการที่สโปรดให้กรมมือหมื่นมเหสุสวนสิวะวิราชทรงเป็นผู้จัดเครื่องกันในบัดนี้วัดอีกมากก็ยังนิยมเทพมหาชาติเป็นงานประจำปีเป็นการหาทุนก่อสร้างอะไรต่างๆในวัดเพราะฉะนั้นพระเวสันดรท่านก็ได้ช่วยสร้างวัดสร้างถาวรวัตถุ และสิ่งต่างๆมามากมายสำหรับในเมืองไทยพระญาติที่มีอาวุโสกว่าเมื่อได้ฟังและได้เห็นพระพุทธจัน ย, ยาต่างๆในที่สุดก็ได้ถวายบังคมด้วยกันทั้งหมดแต่ในวันนั้นยังไม่มีใครอารัธนาพระพุทธเจ้าให้ไปสวยที่ไหนวันรุ่งขึ้นจิน้เสด็จออกทรงบินธบาทพร้อมกับภิกษุสงฆ์ฝ่ายพระญาติมีพระเจ้าสุดโทธนะเป็นต้น ได้ทรงทราบข่าวดังนั้นก็ตระหนกระหัตถไทยเพราะว่าผิดธรรมเนียมของขัตติยาวงศ์พระเจ้าสุทโธทนะได้รีสเสด็จออกไปอย่างที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงบิณฑบาต ท, ท่านว่าพระเจ้าสุทโธทนะได้ตรัสต่อว่าว่าได้ทรงปฏิบัติผิดวงหรือผิดตระกูลไม่มีธรรมเนียมที่กษัตริย์จะพิคขาจานเหมือนอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า ได้ทรงปฏิบัติตามวงของพระพุท ธ, ธไม่ใช่วงของขัติยะได้ทรงเป็นพระพุท ธ, ธทรงปฏิบัติตามวงของพระพุท ธ, ธแล้วก็ได้ตรัสพระกถาว่าอุตติทเทนัปมัชชยะเป็นต้นที่แปลความว่าบุคคลไม่พึงประมาทในอาหารที่เป็นเดน่นหรือในก้อนข้าวที่พึงลุกขึ้นรับพึงประพฤติ ธ, ธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติ ธ, ธรรมนั้น ให้ทุจริตเพราะว่าผู้ประพฤติ ธ, ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกอื่นถ้าจะพิจารณาดูโดยความก็คือเท่ากับทรงแสดงว่าไม่พึงประมาทในอาหารที่เขาใส่บาตรและการเที่ยวพิขาจานี้ก็ไม่ได้ไปลักไปขโมยใครเป็นการสแสวงหาโดยสุจริตไม่ได้ไปทำทุจริตที่ไหนเพราะฉะนั้นอาชีพอะไรๆก็ตาม ที่เป็นอาชีพที่สุจริตและที่เป็นการสมควรแก่ภาวะของตนแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าการพิขาจารนั้นจะเป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญเรื่อยไปเพราะเป็นกรณียะคือเป็นกิจที่ควรทำโดยเฉพาะสำหรับนักบวชซึ่งเป็นผู้ต้องอาศัยนิสัยข้อนี้แต่สำหรับครือขันซึ่งเป็นผู้มีกิจรรมหากินจะพิขาจารอย่างนี้ก็ไม่ได้ ก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะแก่ภาวะพระเจ้าสุดโศตรณะได้รับบาทพระพุทธเจ้าและเชิญเสด็จเข้าไปทรงรับพระทหารในพราชนิเวศพระนันทะพระราหุนบุตรในวันต่อมาที่กล่าวว่าเป็นวันที่สามเป็นวันประกอบพิธีวิวาหามงคลและพิธีมงคลขึ้นตำหนักอภิเศกของพระราชะกุมารทรงพระนามว่านันทะ พระนันทานี้เป็นพระโอรสของพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนามาของพระพุทธเจ้าพระนามี้มีพระจิติดาอีกอง์หนึ่งทรงพระนามว่ารูปมันทาพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเรือนตำหนักของพระนันทราชกุมารพระนันทราชกุมารก็ทรงรับบาตของพระพุทธเจ้าและก็เสด็จตามพระพุทธเจ้าออกมาฝ่ายพวกคนในเรือนเห็นดังนั้น ก็รีบไปทูล น, นางชนบทกาลยานีซึ่งเป็นคู่อภิเศกในวันนั้นของพระนันทะนางก็รีบออกมาและเตือนให้รีบกลับฝ่ายพระนันทะก็ถือบาดตามพระพุทธเจ้าเรื่อยมาและก็ส่งนึกเรื่อยมาว่าพระพุทธเจ้าจะทรงรับบาทที่นี่ที่นั่นพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับก็ต้องถือบาดตามพระพุทธเจ้าเรื่อยมาจนถึงนิโครัารามครั้นถึงนิโครัารามแล้ว พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามพระนันท h ว่าจะบวชไหมพระนันท h a ทูลตอบรับว่าจะบวชด้วยไม่กล้าจะขัดพระพุทธดรรรัสพระพุทธเจ้าก็โปรดให้สงฆ์บวชพระนันท h เป็นภิกษุต่อมาท่านกล่าวว่าเป็นวันที่เจ็ดดเสด็จเข้าไปส่งรับพระตหารในพระชนิเวศน์พระนางยโสทราพิมพาซึ่งเป็นพระมารดาของราหุลพระโอรสของพระโพธิสัตว์ เมื่อก่อนทรงพนวดได้ทรงแต่งพระราหุลออกมาให้กราบทูลพระราชบิดาทํานองว่ากราบทูลขอพระราชสมบัติพระราหุลเวลานั้นว่ามีพระชนเจ็ดขวออกมากราบทูลขอมรดกพระพุทธเจ้าก็ทรงนําพระราหุลไปนิโครัฐรามด้วยและเมื่อถึงนิโครัฐรามแล้วก็โปรดให้พระสารีบุตรบรรพชาพระราหุลเป็นสามเณรด้วยใช้วิธีให้รับสรณะสาม คือวิธีอุปสมบทด้วยถึงสาระสามที่ทรงให้เลิกไปแล้วนั้นมาใช้บรรพชาสามเณรพระราหุลจึงเป็นสามเณรองแรกในพระพุทธศาสนาและก็ใช้วิธีบวชด้วยให้ถึงสาระสามสืบต่อมาจนบนัดนี้ท่านแสดงว่าพระทรงมีพระพุทธดา ร, ริว่าทรัพย์ที่เป็นโลกิยานั้นเป็นของที่ไม่ยั่งยืนแต่ว่า อริยทรัพย์เป็นสิ่งยั่งยืนกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อมากราบทูลขอมรดกจึงได้ประทานอริยทรัพย์ให้ข้อนี้ก็น่าพิจารณาถึงทำเนียมบวตในบัดนี้มารดาบิดาที่จักให้บุตรได้บวตก็เท่ากับว่าเป็นการให้อริยทรัพย์หรือว่าจักให้บุตรได้อริยทรัพย์ซึ่งถือว่าเป็นการทําให้ได้รับทรัพย์ที่ประเสรศิฐเมื่อท่านได้ทํากิจอันนี้ก็รู้สึกว่า ท่านได้มีความปิติรินดีว่าได้อุปการะบุตรเป็นอย่างดีเราวนี้มาพิจารณาดูถึงหน้าที่ของบุตรที่จะพึงมีต่อบุพการีเช่นมารดาบิดาในพระพุทธศาสนาก็แสดงไว้เป็นสองคือตอบแทนตามหน้าที่เช่นว่าท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งท่านแสดงว่าตอบแทนด้วยทําให้มารดาบิดา จเจริญด้วยคุณมีศรัทธาศีลเป็นต้นเมื่อทําให้ท่านจเจริญศรัทธาศีลเป็นต้นก็ชื่อว่าเป็นการตอบแทนอย่างสูงพิจารณาดูก็คือว่าตอบแทนท่านด้วยทําให้ท่านได้รับอริยสัพย์นั่นเองและการบวชเป็นทางที่จะทําให้ท่านบุปการีจะรับอริยสัพย์ได้ง่ายเพราะทําให้ท่านมีความคุ้นเคยในาศาสนาเป็นโอกาสที่จะเข้ามารักษาศีล ฟังธรรมและปฏิบัติความดีอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลที่จูงกันไปในด้านดีให้เกิดอริยทรัพย์ด้วยกันทุกๆฝ่ายฝ่ายพระเจ้าสุดโททนะเมื่อได้ทรงทราบดังนั้นก็ทรงมีความทุกข์เป็นอย่างยิ่งได้รีเสเด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถึงความทุกข์ในพระเจ้าหฤทัยว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จออกทรงพนดนั้นก็ทรงประสบความทุกข์อย่างใหญ่เป็นครั้งแรก ครั้นเมื่อพระนันท h ออกทรงพนวดอีกก็ทรงประสบความทุกข์เป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังหวังอยู่ว่ายังมีพระราหุนจะทรงเป็นผู้สื่อพระจงวงต่อไปแต่มาครั้งนี้พระราหุนมาทรงผนวดอีกก็ยิ่งทรงประสบความทุกข์อย่างหนักเป็นครั้งที่สามเพราะฉะนั้นก็ทรงขอประธานพรพระพุทธเจ้าพ่อหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าได้ทรงล่วงพรเสียแล้ว พระเจ้าสุดโททนะก็ทูลโดยความว่าก็ไม่ใช่จะเป็นการบังคับเมื่อทรงเห็นสมควรก็ประทานเมื่อไม่ทรงเห็นสมควรก็อย่าประทานพระพุทธเจ้าก็ทรงให้พระเจ้าสุดโททนะตรัสว่าจะทรงขอพร อ, อะไรพระเจ้าสุดโททนะก็ได้ทูลขอพรข้อหนึ่งว่าต่อไปเมื่อพระสงค์จะบวชผู้ใดก็ให้ผู้นั้นได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาก่อนเพระเาะได้ทรงปรารบ ถึงความทุกข์ที่เกิดแก่พระองค์ครั้งนี้ว่ามากมายนะก็อยากให้ความทุกข์เช่นนี้เกิดขึ้นแก่มารดาบิดาอื่นเลยพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตและก็ได้ทรงสั่งพระสงฆ์ว่าจะบวชใครก็ต้องให้ผู้นั้นได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาเสียก่อนตลอดมาถึงบัดนี้และในวันหนึ่งที่ท่านพระอักถาจารย์ได้แสดงว่าในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าสุดโททนะ ได้ทูลพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ได้มีเทพดามาบอกว่าพระลูกเจ้าทิ้นพระชนเสียแล้วแต่พระเจ้าสุทธนนะไม่ทรงเชื่อพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัชาดุกเรื่องหนึ่งเรียกว่ามหาธรรมปารชาดกโดยความว่าในแคว้นกาลีได้มีบ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านธรรมปาละมายบ้านก็ชื่อว่าธรรมปาละ และมีบุตรคนหนึ่งก็ชื่อธรรมปาละเป็นตระกูลที่ประพฤติ ธ, ธรรมสื่อบื้กันมาคนในหมู่บ้านนั้นทุกชั้นก็พากันประพฤติ ธ, ธรรมคือไม่ฆ่าไม่ลักไม่พูดเท็จเป็นต้นบิดาได้ส่งธรรมปาละคุมารไปเรียนวิชากับอาจารย์ที่สาป่าโมกที่กรุงตักกัิลาธรรมปาละคุมารเรียนได้ดีต่อมาบุตรของอาจารย์ก็สิ้นชีวิตด้วยเหตุอย่างหนึ่ง หมูญาิและหมูสิทธ์ก็พากันเศร้าโศกฝ่ายธรรมปาลกุมารไม่เศร้าโศกแต่มีความสงสัยว่าทําไมจึงตายในเวลาเป็นหนุ่มในที่สุดก็ได้ถามขึ้นคนเหล่านั้นได้บอกว่าความตายนั้นไม่แน่นอนจะตายเวลาไหนได้ทั้งนั้นธรรมปาลกุมารก็บอกว่าในบู่บ้านเขานั้นเห็นตายกันเมื่อแก่เป็นพื้นฝ่ายอาจารย์ก็ไม่เชื่อจึงได้ธรรมปาลกุมาร เป็นผู้ดูแลกิจการอยู่ชั่วคราวตนเองก็เดินทางไปหมู่บ้านธรรมปาละและนําเอากระดูกของแพะไปแสดงแกงรรรรแ่บิดาของธรรมปาละว่าธรรมปาละตายแล้วบิดาของธรรมปาละก็บอกว่าไม่เชื่อเพราะที่นี่โดยปะกะติไม่ตายกันในเวลาเป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มอาจารย์ก็ถามว่าจะต้องมีเหตุและประพฤติอย่างไรจึงเป็นเหตุให้บังเกิดผลเช่นนี้บิดาของธรรมปาละ ก็ได้ตอบว่าประพฤติธรรมะนั่นเองและแจ้งข้อที่ประพฤติต่อต่อกันมาให้ทราบอาจารย์ของธรรมปาลัก์ก็มีความชื่นชมยินดีแล้วก็รับเอาธรรมเนียมปฏิบัติไม่หมู่บ้านนั้นกลับไปใช้ประพฤติปฏิบัติกันต่อมาพระพุทธเจ้าไม่ได้ประทับจำบรรษาที่กรุงกบิลพั์ในตอนนั้นได้โปรดให้บวชพระนันทะกับพระราหุนและได้ทรงนำพระนันทะ กับพระราหุนเสด็จกลับไปสู่กรุงราชคฤิสทรงจำรรษาอยู่ในกรุงราชคฤิสเรื่องการเสด็จกรุงกบิลพั์ครั้งแรกก็มีเพียงเท่านี้เรื่องการกำหนดเวลาว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญพุทธกิจอะไรเมื่อไหร่เสด็จไปไหนเมื่อไหร่ได้หลักฐานในชั้นบาลีเป็นส่วนน้อยและโดยมากก็บอกแต่เพียงว่าสมัยหนึ่งประทับที่นั่นหรือประทับที่นั่น พระพุทธอัยาศิยแล้วก็เสด็จจาริกไปที่นั่นหนังสือชั้นบาลีนี้ปรากฏว่าเขียนเป็นตัวอักษรขึ้นที่ลังกาในสมัยสังคยนาเป็นครั้งที่ห้าเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงแล้ว400ปีเศษแต่ในคำภีในชั้นหลังต่อมาซึ่งเป็นคำภีอธิบายพระบาลีที่เรียกว่าอัธกถาแปลว่ากล่าวเนื้อความของบาลีซึ่งเป็นการอธิบาย พระอาจารย์รจนาอัตกถาเรียกว่าอัตกถาจารย์ปรากฏว่าได้ทำในสมัยต่อมาอีกจนกระทั่งพระพุทธศาสนาล่วงแล้วได้หนึ่งพันปีกว่าในคำพีชั้นนี้แสดงเวลาไว้ละเอียดยิ่งขึ้นดังเช่นระยะเวลาที่กล่าวเมื่อคราวก่อนโดยเฉพาะระยะเวลาเรื่องเสด็จกรุงกบิลพัทชั้นอัตกถากล่าวไว้ว่าเสดก่อนค้าพรรษาที่สองดังที่กล่าวแล้วแต่ว่า ในอัตถกถานั้นเองได้มีเรื่องที่เป็นเบื้องต้นไว้ว่าพระเจ้าสุดโททนะได้ส่งทูตมาเชิญเสด็จพระพุทธเจ้ารวมทั้งหมดเป็นสิบคนทั้งการุฑายีอ ม, มาตและส่งมาทีละคนเมื่อส่งมาคนหนึ่งเห็นหายไปก็ส่งมาอีกคนหนึ่งรวมจนถึงคนที่สิบจึงสําเร็จถ้าเป็นจริงตามนี้พระยะเวลาที่จะเสด็จกรุงกบิลพัฒน่าพันษาที่สองก็คงเป็นไปไม่ได้ หว่าทูดคนหนึ่งจะเดินทางมาถึงแล้วพระเจ้าสุโทธทนะก็จะต้องทรงรอเห็นหายไปจนผิดสังเกตจึงได้ทรงส่งอีกคนหนึ่งมาระยะทางไม่ใกล้ฉะนั้นที่ท่านพนานาถึงเรื่องเบื้องต้นเหล่านี้ไว้เมื่อพิจารณาดูระยะเวลาที่ท่านให้ในการเสด็จก็ดูเหมือนจะขัดกันแต่ก็เป็นอนุติได้แต่เพียงว่าได้เสด็จกรุงกบิลพั์ครั้งหนึ่งในระยะต้นนั้นและท่านว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงาพาพระนันทะและพระราหุนเสด็จกลับมากรุงรัชคฤิตประทับจำพรรศารที่สองที่พระเวรวรณแต่ในหลักฐานชั้นบาลีกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงกระหนดพระราหุนเป็นสามเณแล้วก็ได้เสด็จจากกรุงกบิลพัทไปนครสาวัตถีแหวนโกศลขัดกันอยู่ฉะนั้นเรื่องการหมดพระราหุนอาจจะเป็นการเสด็จในครั้งที่สองก็ได้ เราได้เสด็จกรุงกบิลพัทอีกครั้งหนึ่งในภายหลังและในครั้งหลังนั้นได้เสด็จจำพรรษาที่นิโครทธารามราหุโลวาทสูตรแต่ก็มีพระสูตรบางพระสูตรที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมพระาหุนที่พระเวรวุวันซึ่งท่านพระอัจฉราาิาจารย์ทลว่าเมื่อพระพุทธเจ้าโปรดให้บวชพระราหุนนั้นพระราหุนมีจันทราได้เพียงเจ็ดพันฝา และเมื่อได้ทรงนํามาประทับอยู่ที่พระเวรุวันกรุงราชคฤิสก็ได้ทรงอบรมราหุลสามเณรอยู่เสมอคำอบรมในระหว่างที่ราหุลสามเณรมีพระชนเจ็ดพันานั้นท่านร้อยกรองไว้เป็นพระสูตรหนึ่งเรียกว่าราหุโลวาาซึ่งแปลวา่าโอวาสแก่พระราหุลมีเล่าไว้ว่าพระราหุลได้ประทับอยู่ที่เรือนชั้นอันชื่อว่าอัมพรัตติกาที่ตอนสุดของพระเวรุวัน พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประธานพระโอวาทอบรมเตือนให้พระาหุนศึกษาสองข้อคือหนึ่งให้ศึกษาว่าจะไม่พูดเท็จแม้เพื่อจะหัวเราะเล่น 2. ให้ศึกษาว่าจะปัจจเวกคือพิจารณาชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้บริสุทธิ์ข้อความละเอียดในพระสูตรนี้มีเล่าว่าเมื่อเสด็จพระพุทธดําเนินไปถึงพระาหุนก็ได้ปูอาสนะ ได้เตรียมน้ำล้างพระบาทและก็ได้ล้างพระบาทถวายพระพุทธเจ้าได้ประทับนั่งแล้วก็ตรัสให้พระราหุลดูน้ำที่เหลืออยู่ในภาชนะที่ใช้เทล้างพระบาทนั้นซึ่งมีเหลืออยู่น้อยตรัสเปรียบเทียบว่าความละอายในพระสัมปชานะมุสาวาทคือผู้เทถทั้งที่รู้อยู่ไม่มีแก่ผู้ใดสามัญญะคือความเป็นสมณานของผู้นั้นก็มีน้อยเหมือนอย่างน้ำ ที่มีเหลืออยู่น้อยในภาชนะน้านั้นแล้วก็ตรัสสั่งให้พระลาหุนเทน้าทิ้งให้หมดตรัสโอวาต่อไปว่าความละอายในเพราะพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ไม่มีแก่ผู้ใดความเป็นสมณะของผู้นั้นก็ต้องถูกทิ้งเสียแล้วเหมือนอย่างน้ำในภาชนะน้าที่เขาทิ้งเสียหมดแล้วก็ตรัสสั่งให้พระราหุนว่ามภาชนะน้านั้นแล้วทรงสั่งให้พระลาหุน ไหพยนาน้านั้นก็เป็นพชนะน้าที่ว่างเปล่าก็ตรัสโอวาสิต่อไปอีกว่าความละอายในเพราะพูดเทจทั้งที่รู้อยู่ไม่มีแก่ผู้ใดความเป็นสมณะของผู้นั้นก็ว่างเปล่าอย่างเช่นาชนะน้าที่หายขึ้นว่างเปล่าเชนั้นต่อจากนี้ก็ตรัสอุปมาอีกข้อหนึ่งว่าเหมือนอย่างช้างศิกของพระเจ้าแผ่นดินที่ฝึกขัดไว้เป็นอย่างดีขึ้นระวังแล้ว ออกสงครามก็ทําการรบคือทําหน้าที่ออกสึกด้วยเท้าหน้าทั้งสองด้วยเท้าหลังทั้งสองด้วยศีรษะด้วยหูด้วยงวงด้วยหางแต่ว่าถ้ายังรักษางวงอยู่ไม่ใช้งวงในการปฏิบัติหน้าที่ก็ชื่อว่ายังไม่ได้สละชีวิตเพื่อพระเจ้าแผ่นดินต่อได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยงวงอย่างหนึ่งจึงชื่อว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างบริบูรณ์และก็ไม่มีอะไรที่ช้างนั้นไม่ได้ทํา ชั้นใดก็ดีถ้าไม่มีความละอายที่จะพูดเท็จทั้งรู้ก็กล่าวไม่ได้ว่าจะไม่ทําบาปอะไรอะไรแต่ถ้ามีความละอายในอยู่อันที่จะพูดเท็จทั้งรู้งดเว้นจากการพูดเท็จเสียได้จึงจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้ไม่ทําบาปเมื่อได้ตรัสโอวาทดังนี้แล้วจึงสรุปให้พระลาหุนศึกษาว่าจะไม่พูดเท็จแม้เพื่อจะหัวเราะเล่นต่อจากนั้นได้ทรงสอนให้พระลาหุน ปัจเวกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้ทรงชักวัตถุอย่างหนึ่งมาเปรียบเทียบคือตรัสถามว่าแว่นส่องมีประโยชน์อะไรพระราหุลก็กราบทูลว่ามีประโยชน์เพื่อจะปัจเจเวกคือว่าได้ตรวจดูหน้าตาเป็นต้นพระพุทธเจ้าจึงได้ประทานพระโอวาสสืบต่อไปว่าควรที่จะปัจเวกคือพิจารณาก่อนแล้วจึงทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรม เมื่อคิดปรารถนาจะทำจะพูดจะคิดก็ให้ปัจจเวก่อนว่าเราจะทำจะพูดจะคิดอย่างนี้แต่ว่าการทำพูดคิดอย่างนี้เป็นอย่างไรเมื่อปัจจเวกแล้วรู้ว่าการทำการพูดการคิดอย่างนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอกุศลมีทุกทโทษเป็นกาไรเป็นผล เมื่อรู้ดังนี้แล้วก็ไม่ควรทํากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนั้นต่อเมื่อได้ปัจเจเวกแล้วก็รู้ว่าเป็นไปตรงกันข้ามคือการทําการพูดการคิดนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียน ด, ดังกล่าวเป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรเป็นผลเมื่อรู้ดังนี้แล้วจึงควรทํากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนั้นอันหนึ่งเมื่อกําลังทํา กำลังพูดกำลังคิดก็ให้ปัจเจเวกว่าบัดนี้เรากําลังทํากําลังพูดกําลังคิดอย่างนี้แต่ว่าการทําการพูดการคิดอย่างนี้เป็นอย่างไรเมื่อปัจเจเวกก็จะรู้เมื่อรู้ว่าเป็นส่วนไม่ดีก็ให้เลิกเสียเมื่อรู้ว่าเป็นส่วนดีก็ให้ทําเพิ่มเติมต่อไปอันหนึ่งทําพูดคิดมาแล้วก็ให้ปัจเจเวกเหมือนกันว่าเราได้ทํา พูดคิดอย่างนี้มาแล้วแต่ว่าการทําการพูดการคิดของเรานั้นเป็นอย่างไรเมื่อรู้ว่าไม่ดีแต่ว่าทําไปแล้วก็ให้แสดงเปิดเผยในพระศาสดาหรือในสหพมจารีซึ่งเป็นวินยูชนคือเป็นผู้รู้และถึงความสังวรเพื่อจะไม่ทําอีกต่อไปเมื่อรู้ว่าเป็นส่วนดีก็ให้เป็นผู้มีปิติความอิ่มใจปราโมชความบันเทิงอยู่ และตามศึกษาสำเนียกอยู่ในธรรมที่เป็นส่วนกุศลทั้งหลายทั้งกลางวันทั้งกลางคืนพระพุทธเจ้าตรัสสรุปต่อไปว่าสมณพราหมณ์ใีอดีตปัจเจเวชํำระ ก, กายกรรมวจีกรรมมนุกรรมมาอย่างนี้ในอนาคตก็จักได้ปัจเจเวชชำระอย่างนี้ในปัจจุบันก็พิจารณาชำระอย่างนี้ใหม่ที่สุดก็ตรัสเตือนให้พระราหุนศึกษาเป็นข้อที่สอง คือให้คอยปัจเจเวกกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมให้บริสุทธิ์อยู่เสมอพระสูตรนี้เรียกว่าอัมพรัติการหูโรวาทาสูตรตามชื่อของเรือนนั้นชื่อว่าอัมพรัติกาหรือเรียกว่าจุลราหูโรวาทาสูตรพระสูตรที่แสดงพระโอวาทแก่พระราหุลซึ่งเป็นสูตรเล็กเพราะเมื่อพระราหุลมีอายุมากขึ้นพระพุทธเจ้าได้ประทานพระโอวาทอย่างอื่นต่อไป โปรดติดตามรับฟัง45ภาษาของพระพุทธเจ้าพระนิพล์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ใหม่ในตอนต่อไป